ท, ท่านธรรมยังอริยทังสิกมามขปาทั้งสนามาเตอริยัเมวะอริโยธรรมพิโกมะโกหนทางนี้แหละเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเลยาทิ่ัง ได้แก่สิงเหล่านี้คือสมาธิสีความเห็นชอบส ม, มาสังกัปุลความดำริชอบส ม, มาวาจาังการสูชาชอบสมาสัมมันโตุการทำการงานชอบส ม, มาอาชิว การเลี้ยงชีวิชตชอดสัมมาวายามววุความภาเี่ยนอสัมมาสติควมามรักจอดกัมมาส ม, มาธิความตั้งใจมั่อดความาจะพิเศสัมมาทิฏฐิดูปานิสูทั้งหลาย ความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายัางโภพิเวกวุตเกญานังดูปอนพิสุธมัยความรู้อันใดเป็นความรู้ไรทุกโลกาสมุทเยญานังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกโลกานิโรเทญานัง เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์โลกานิโรธภาพมิปิยาปฏิปทายาณังเป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังุจติพิกขเวสัมมาทิเทโลกัน้นสิสุทั้มัยอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบ กัโจโมยจะพิฆเวสัมมาสังกปรสกขอนิสุขทั้งหายความดำรีชอบเป็นอย่างไรเล่าในคัมมาสังกปรความดำรีในการออกจากกรามอาิยปาปัสสังกปความดำรีในการไม่หงุดงิด อาวิงตาสังกภาพความดำริในการไม่เบียดเบียนอาญาหัจชาติภิกขเวสัมมาสังกภาพงสุก่อนพิกสุทั้งหลายอานนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกัสสัมมาชาภิกขเวสัมมาวาจานุก่อนพิกสุทั้งหลาย การพูจะชอบเป็นอย่างไรเล่าโมสาวาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายาวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดตอเสียดอารุสัยาวาจายเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยาบสามปาปาลาปาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพเยออายังอุจจดิพิคเวสัมมาวาจังดูกนพิสุทั้งหลยงอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจะจอบ กาตาโมจะาพิกเวสัมมากัมมันโตสุขอนพิสุทั้งหลายาการทำกางานชอบเป็นอย่างไรเล่าตานาติปาตาเวรมาณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆาอาตินาตานาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิจ า, จาราเวร ม, มณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการหลับหรือิดในกาลางทั้งหลายอาังณุจติภิกเวสัมมากรรมตุลดูปานเบิกสุทั้งหลาย กานที้เรากลาวว่าการทำการงานชอบการธมโอชพิกเวส ม, มาอาจิวังดูกรณ์พิสูจทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าพิดาพิกเวสัมมาอาจิวังดูปกรณ์พิสูจทั้งหลาย ตาวของพระอริอยเจ้มมาในธรรมวินัยนี้มีจาอาชีวะมหายาพระการเลี้ยงชีวิ ต, ตทีผิดสียลสมมาอาชีเวนชีวิกลงคาเปติยอมสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่อาญาโมจัดิปิเกเวสมมา พิสทั้งหลายอนนี้เราก่าวว่าการเรียงชีวิตกตาตโมจะพิกเวสัมมาวายามุูก่อนพิสุทั้งหลายความบาเพียนชอบเป็นอย่างไรเล่าเอตาพิกเวพิคุดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมาวีในนี้ อาตุปน า, า, าังปังปะปานังอาคุลาลังตัมมังนังอาุปาัทายังันตังจัเนติวายามติเวียรังอาราปติเจตังปะกันหาติปะทาติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปรารกความเพียน ราคอมตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลตั้ามอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอปันนานางป้าบาานางอกุศลานางตามมานางป้านายจันังจะเนติวายามาติเวียรังอาราปิเจตังปะการนาติปะธานาติ ยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปราบรกความเบียนปรากองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอาปุสโสละ ร, รามอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอาตุปานานังพุสลานังตามมานังอุปาทายะจันตังกะณนติวายามาติ คือยามอาราปฏิเหตุทางบักับนาิปัจาระฏิยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมขยายยามปรารบความเบียนปรากองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอุทูตุลาธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้ น, าานาขุปนานังกุสลานางังธรรมานางัรรานางกิทิยา อาตมโมทายาปิโยภาวายาเวปุระยาอาวนายาปาริภุริยาจันทังจะเนติวาหิปติเวียหะราปติเยตังปะกันหาติปะตาติ่อมทางความพอใจให้เกิดขึ้น ย้อมพยายามตาโรคความเตียนา่อควตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลื่อนเลือความงอบงามยิ่งขึ้นความภัยบณญความเจริญความเต็มรอบแห่งคุณลัรษณ์ามที่เกิดขึ้นแล้ว อาญูจิตพิกเวสัมมาวายามุนูปก่ณนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาีผิดชอบก า, า, ารทำ aja พิกเวสัมมาสติดูกก่ณนพิสุทั้งหลายความหลาลึกชอเป็นอย่างไรเล่าอีตาพิกเวพิกุ ดูความที่ตู่ทั้งหลายที่สูในธรรมะวิไนนิกายกายานุปัสสิเวหาติย่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปัญโนสติมารีนัยาโลเกอาพิจารโทมานัสตัง มีความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติตอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียรไดเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติยอมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ อาตาตมิสัมปชาโนสติมาพิมทยาโลเกอาพิชาโนหานัตตังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญามีสติทั้งความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเียวายจิเตจิตานนปเีวิอารเิ ชอบเห็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาบิธัมปัชาโนสติมางอินัยโลเกอาพิชารณานันสังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปชาัญญามีสติขอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเทได้ อาเมตตานาุปัสสิเวหาติจําเป็นผู้ปิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปะจโนสติม า, า, ารปิไยโลเกอาภิจาตโตมานัสังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปะชัญญามีสติ